ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่พบเจอสุนัขจรจัดที่บาดเจ็บหรือป่วยไม่มีคนดูแลนะฮะซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งมาที่มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัดจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับถึงที่แล้วพามารักษาเลี้ยงดูอย่างดีจนหายป่วยนะครับโทรศัพท์ติดต่อได้ที่024639283 4 024639283 4ในเวลาทำงานนะครับ9นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 2fsd.org2 หรือ2นะครับเลข2 fsd.org คงไม่มากเกินไปใช่ไหมครับกับการเสรียสละเวลาอันเล็กน้อยโทรศัพท์แจ้งมูลนิธิเราสามารถช่วยเพื่อนร่วมโลกได้อีกชีวิตหนึ่ง ถ้าไม่แน่ใจในรายละเอียดก็เปิดจากในซีดีดูนะครับผมทำเป็นเอกสารไว้ให้แล้วนะครับ